ภิกษุอยู่ปริวาทกระสับกระสายเพราะเวทนาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาทเป็นผู้กระสับกระสายเพราะเวทนาปริวาทของภิกษุผู้กระสับกระสายเพราะเวทนานั้นใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นไม่กระสับกระสายเพราะเวทนาอีก